สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานครับในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันจันทร์เราพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมขอขออนุญาตไปเป็นเวลาสองวันพี่น้องครับในเช้าวนันนี้เรื่องเปโตรปฏิเสธพระเยซูปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบแปดพระธรรมยอห์นบทที่สิบแปดข้อที่สิบห้า จนถึงข้อที่ยี่สิบเจ็ดซีโมนเปนโตรกับเหล่าสาวกได้ติดตามพระเยซูไปสาวกอีกคนหนึ่งที่ได้ติดตามพระเยซูไปนั้นรู้จักกับมหาปุโรหิตผู้ประจำการเขาได้เข้าไปกับพระเยซูถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตแต่เปโตรยืนอยู่ข้างนอกริมประตูสาวกอีกคนหนึ่งนั้นที่รู้จักมหาปุโรหิต ได้ออกไปพูดกับหญิงที่เฝ้าประตูแล้วเปโตก็เข้าไปผู้หญิงคนที่เฝ้าประตูถามเปโตว่าท่านเป็นพวกสาวกของคนนั้นด้วยหรือเขาตอบว่าไม่เป็นพวกบ่ากับเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ที่นั่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาวแล้วก็ยืนผิงไฟกันเปโตก็ยืนผิงผิงไฟไปกับเขาด้วย ข้อ225ขณะนั้นซีโมนเปโตกําลังยืนผิงไฟอยู่คนเหล่านั้นถามเปโตว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือเปโตปฏิเสธว่าไม่เป็นทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตฟันหูขาดก็ได้ถามว่าข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนไม่ใช่หรือเปโตปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งและในทันใดนั้น ไก่ก็ขันพระองครับเปโตรปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งด้วยกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะที่อุปนิสัยของเปโตรเป็นคนที่เรียกว่าจริงใจจริงจังในขณะเดีวยวกันเขาก็เป็นคนที่ใจร้อนและมุทะลุไม่ว่าเราจะเป็น สถานการณ์ใดสภาพใดของอารมณ์ความรู้สึกหรือบุคลิกภาพของเราเมื่อเราติดตามพระเยซูเราจะต้องละทิ้งบุคลิกภาพบางสิ่งบางอย่างของเราในการติดตามพระเยซูเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวบุคลิกภาพหรือพูดง่ายๆว่านิสัยส่วนตัวบางอย่างของเรานั้นเป็นอุปสรรคนี่เป็นที่มาของคาว่า ถ้าผู้ใดใครติดตามเราให้ผู้นั้นปฏิเสธตัวเองพี่น้องครับซาตานได้ขอพวกสาวกไว้เพื่อจะฝัดร่อนพวกเขาเหมือนฝัดข้าวสารีเช่นเดียวกันครับซาตานก็พยายามที่จะฝัดร่อนเราครับเหมือนกับฝัดข้าวสารีแต่พี่เยซูได้อธิษฐานเผื่อเราเพื่อที่ให้ความเชื่อของเราจะไม่ได้ขาดหายไปและเมื่อเรา กลับใจกลับเนื้อกับตัวเราจะสามารถหนุนจิตชูใจชูกำลังพี่น้องของพวกเราได้พี่น้องครับพระเยซูเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเราได้รับช่องทางได้รับพระคุณในการกลับใจใหม่เราต้องรีบเราต้องรีบครับ เปโตรสาวกเอกของพระเยซูนั้นเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเยซูที่สุดเป็นหนึ่งในสามของสาวกวงในของพระเยซูและพระเยซูนั้นก็รู้ว่าเปโตรนั้นเป็นคนที่มีความจริงใจมากพระเยซูก็เลยบอกเขาว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราถึงสามครั้งและพระคัมภีร์ที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครูน่นี้ก็พูดถึงเรื่องของการปฏิเสธพระเยซูผู้หญิง นะครับคนเฝ้าประตูถามว่าท่านเป็นพวกสาวกของคนนั้นด้วยหรือเปโตตอบ ว, ว่าไม่เป็นก็มีคนหลายคนหลังจากนั้นก็ถามผถามเปโต ว, ว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือเปโตบอกว่าไม่เป็นท้ายที่สุดทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตที่เป็นญาติกับคนที่เปโตฟันหูขาดเนี่ยถามว่าข้าเห็นเจ้ากับท่านทูนั้นในสวนไม่ใช่หรือ เปโต้ก็ไปปฏิเสธทั้งนี่คือสามครั้งที่เปโตป้ปฏิเสธพระเยซูพี่น้องครับมีสาวกสองคนที่ทําผิดในช่วงนี้ก็คือยูดาสกับเปโต้สิ่งที่สําคัญก็คือว่ายูดาสนั้นเสียใจแต่ไม่กลับใจครับแต่เปโต้นั้นเสียใจแต่ในที่สุดเขากลับใจกลับใจมาหาพระเจ้ายูดาสเสียใจแต่ไม่กลับใจทิ้งเงินไว้ในพระวิหารแล้วออกไปปลูกคอตาย ทั้งหลายครับหากวันนี้เราได้ทําผิดแล้วไม่ยอมกลับมหาพระเจ้าปล่อยชีวิตไปตามยะถากรรมก็เหมือนกับไปผูกคอตายครับเสียใจที่ไม่ได้กลับใจไม่ได้เป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าและน่าเสียดายเขาไม่รอดเสียใจที่ชอบพระไทยถูกพระไทยของพระเจ้าก็คือต้องอยากแก้ตัวใหม่อยากกลับใจใหม่อยากกลับเนื้อกับตัวใหม่ เช่นเดียวกันครับเราจะเห็นว่ายูดาสไปไม่รอดแต่เปโตรเขากลับพลิกฟื้นชีวิตของเราพรเยซูช่วยเรานะครับเวลาที่เราอ่อนแอเวลาที่เราหลงไปเวลาที่เราปฏิเสธพระองค์ก่อนที่เปโตรทาผิดพระเยซูช่วยเปโตรด้วยการอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ใช่ไหมครับในยอห์นบทที่สิบเจ็ดตักเตือน เปโต้นั้นถูกพระเยซูตักเตือนล่วงหน้าพระเยซูทรงรู้ว่าใจของเปโต้นั้นแม้ว่าจะจริงใจแต่บางครั้งเปโต้นั้นก็อ่อนแอเพราะว่าเปโตวว้วกแวกเปโต้มีความกลัวเพราะฉะนั้นความกลัวนี่แหละครับทำให้เราไม่ได้กล้าทำหลายสิ่งหลายอย่างในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นหลักๆในชีวิตของเราซึ่งเป็นหลักความเชื่อ หลักคิดที่ถูกต้องการกระทาที่ถูกต้องเราปฏิเสธที่จะไม่ทำเยซูทรงเตือนแล้วเปโตก็ยังปฏิเสธไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเยซูยังสอนให้สาวกอธิษฐานในสวนเกตเซมเนีเพื่อที่จะไม่ต้องเข้าในการทดลองเปโตหลับครับเปโตหลับหลับปุ๋ยเลยพี่น้องครับ ได้คือสิ่งที่สาวกนั้นตอบสนองต่อพระเยซูพระเยซูทรงให้จิตสํานึกเตือนครับนให้ไก่ขันครับพี่น้องไก่ขันเนี่ยก็คือหมายความว่าให้เตือนครับให้จิตสํานึกเนี่ยทำงานการที่ไก่ขันหมายถึงพระเยซูได้ใช้ใช้สิ่งธรรมชาติใช้ไก่มาเตือนเพื่อให้จิตสํานึกเนี่ย ได้ทำงานเตือนใจตัวเองให้จิตสำนึกทำงานเพื่อให้กลับใจใหม่ครับนะครับจิตสำนึกทำงานเพื่อให้กลับใจใหม่พีน้องครับพระเยซูทรงช่วยเราในการกลับใจใหม่พระเยซูทรงช่วยเราให้เราฟื้นฟูกลับมาหาพระเจ้าฟื้นฟูความรักของเราความรักดั้งเดิมที่เราเคยมีอยู่กับพระเจ้า และเพื่อเราจะชูกำลังพี่น้องของเรารมอบหมายการรับใช้ใหม่ๆให้กับเราและให้ลํำลึกถึงการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อเราคุณครับหลังจากนั้นชีวิตของเปโตก็กลับใจเมื่อเขากลับใจนั้นเขาฟื้นฟูความรักที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่ยี่สิบเอดข้อสิบห้าได้กล่าวว่าเมื่อพระองค์ทรงฟืน้นขึ้นมาจากความตาย ครับเปียสูถามเ ป, เปโตว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเรามากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปโตตอบพระองว่าพรงทรงทราบว่าข้าพงรักพรองค์พระองค์ถามเปโตถึงสามครั้งเหมือนกับพี่เขาปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งด้วยกันพี่น้องครับ เปโตรตอบว่าท่านรักพระองค์ทุกครั้งที่พระองค์ถามครับนี่คือการนําเรากลับมาสู่ความรักที่มีต่อพระองค์สุดท้ายในวันนี้ก็คือพระองค์ทรงฝากให้เปโตเรเลี้ยงดูลูกแกะทรงตรัสว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดเปโตรท่านกลับใจกลับเงื้อกลับตัวกลับมารับใช้พระเจ้ากลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูอีกครั้งหนึง่งในวันเพนเทคสเต้ครับ เปโตรเทศนามีคนกลับใจถึงสามพันคนท่านเป็นหลักนะครับเป็นปูชนียะบุคคลของขิสจักรในสมัยต่อๆมาพระธรรมกิจการครับพี่น้องมีพระเอกสองคนคือเปโตรกับเปาโลบทที่หนะึ่งถึงบทที่สิบสองนั้นเป็นงานที่พระเจ้าใช้เปโตรอย่างมากพี่น้องครับหากว่าเราอยากจะให้พระเจ้าใช้อย่างมากมายเราอยาจะเป็นคนที่อยู่ในน้ํำมัทไยของพระเจ้า ให้เรากลับใจใหม่ครับให้เราฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่เพื่อที่เราจะรับมอบรับมอบสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพระไทยของพระเยซูที่ให้เรากระทาหลายสิ่งหลายอย่างให้ตามน้ำพระไทยตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์ตั้งไว้เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระองค์มากที่สุดในชีวิตหนึ่ง ที่เรามีมาอาเมน